วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสำหรับผู้ที่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชาจะเห็นว่าการมคุณอารมณ์ต่างๆนำมาซึ่งความสุขส่วนพระนิพพานซึ่งเป็นความดับของกระแสรูปนามกลายเป็นสิ่งไม่น่าปรารถนาและทางปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานกลับเป็นความทุกข์ยากและเหน็ดเหนื่อย ดังนั้นจึงขวนขวายแสวงหาสิ่งที่สนองความต้องการด้วยการประกอบกรรมสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมมีทั้งที่เป็นกรรมดีงามกอบด้วยคุณธรรมและจรยิยธรรมหรือที่เป็นกรรมชั่วผิดศีลธรรมเช่นการบำเพ็ญทานเพื่อประโยชน์สุขในภพหน้า หรือหลอกลวงลักขโมยเพื่อสร้างความร่ำรวยให้ตนเองในพบนี้ในภาษาบาลีศัพท์ว่ากรรมการกระทำมีคำพ้องคือคำวัยพศว่าสังขารการปรุงแต่งสังขารจําแนกได้เป็นสามอย่างคือ 1. กายสังขารการปรุงแต่งทางกาย 2. วัวจีสังขาร การปรุงแต่งทางวาจาสามโโนสังขารการปรุงแต่งทางใจโดยองค์ธรรมคือเจตนาความจงใจซึ่งทำหน้าที่ริเริ่มผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการทำกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการกระทำกรรมทุกชนิดทั้งทางกายวาจาและใจเช่นการฆ่าสัต การให้ทานเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้จักกษนะของเจตนาได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติของตนเองเช่นเมื่อเวลาที่ต้องการจะตียุงที่มากัดเขาจะรู้เห็นว่ามีเจตนาที่จะต้องการตียุงเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นจึงเกิดสภาวะเหยียดหรือคู่ร่วมกับสภาวะ เคลื่อนไหวติดตามต่อมาอีกนายหนึ่งสังขารยังจำแนกได้เป็นสามอย่างคือ 1. น่งปุญญาพิสังขารบุญหรือกุศลที่ให้ผลเป็นความสุข 2. อปุญญาพิสังขารบาปหรืออกุศลที่ให้ผลเป็นความทุกข์ 3. อเนชาพิสังขาร ซึ่งทำให้เกิดอรูปฌานอันจัดเป็นฝ่ายกุศลแปลตามศัพท์ว่าฌานที่มั่นคงไม่หวั่นไหวส่วนรูปฌานและกุศลธรรมอื่นๆซึ่งให้ผลเป็นความสุขในกามาวจรภูมิจัดเป็นปุญญาพิสังขารทั้งหมด ปัญญาพิสังขารปัญญาศัพท์หมายถึงสิ่งที่ทําให้บริสุทธิ์บุคคลควรชําระล้างร่างกายให้สะอาดด้วยสบู่ฉันใดเราก็ควรทําให้บริสุทธิ์จากบาปด้วยทานศีลและภาวนาฉันนั้นกุศลกรรมดังกล่าวนี้จะช่วยให้เราได้รับความสุขความเจริญในภพปัจจุบันและในภพต่อๆไปปุญญา ศัพยังมีอีกความหมายหนึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ความปรารถนาของผู้ต้องการจะประกอบกรรมดีได้สําเร็จสมประสงค์กรรมดีช่วยให้เราได้รับผลที่ปรารถนาเช่นการมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนพลังพร้อมด้วยทรัพย์สินคารนเป็นต้นหากการประกอบกรรมดีนั้นเกิดจากความปรารถนาจะบรรลุนิพพาน ผลกรรมก็จะช่วยให้สามารถสำเร็จตามปรารถนาหรืออาจช่วยให้ชีวิตที่สุขสบายตราบจนบรรลุพระนิพพานทราบว่าอภิสังขารหมายถึงการขวนขวายกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความสุขสบายของตนเองการขวนขวายดังกล่าวอาจให้ผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ได้ดังนั้นปุญญาภิสังขารจึงเป็นบุญ หรือกุศลที่ให้ผลเป็นความสุขนับตามจิตคือกามาวจรกุศล8ดดวงรูปราวจรกุศลห้าดวงโดยย่ อ, อจำแนกเป็นทานศีลและภาวนาการบริจาคทานด้วยจิตที่ประกอบด้วยความเย็นดีและเต็มใจจัดเป็นกุศลที่มีอานิสงา์ ผู้ให้ควรมีความยินดีในการทั้งสามคือในขณะก่อนให้ทานขณะให้ทานและภายหลังจากการให้ในพระไตรปิฎกได้ตรัสเสริญการให้ทานเช่นนี้ว่ามีผลมากมีอนิสงฆ์มากผู้ให้ทานอาจให้ด้วยความวางเฉยแต่หากมีจิตที่ผ่องใสการให้ทานนั้นก็มีอนิสง์มากเช่นกัน การให้ทานใดๆที่ประกอบด้วยปัญญาที่เชื่อในกรรมและผลกรรมจะส่งผลให้ปฏิสนธิด้วยเหตุสามคืออโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธและอโมหะความไม่หลงปัญญาส่วนการให้ทานที่ไม่ประกอบด้วยความเชื่อในกรรมและผลกรรมแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็เป็นการกระทำโดยขาดปัญญาและเมื่อชักนำให้ปฏิสนธิก็จะเกิดเป็นผู้ที่ไม่มีสติปัญญาหลักแหลมนักหรืออาจส่งผลให้ได้รับความสุขในชาติปัจจุบันแต่ไม่อาจทำให้บุคคล น, นั้นมีปัญญาเพียงพอที่จะบรรลุมรรคผลได้ในภพต่อไปนอกจากนี้บางคนอาจทำกุศลได้แรงกระตุ้นจากภายใน โดยไม่มีบุคคลอื่นชักชวนแต่บางคนอาจทำกุศลโดยได้รับการชักชวนจากบุคคลอื่นในบรรดากุศลสองอย่างนี้กุศลชนิดแรกคืออสังขาริกะกุศลมีอนิสงส์มากกว่าชนิดหลังเมื่อนับกุศลกรรมที่กล่าวมาแล้วสี่ประเภทกุศลที่ประกอบด้วยจิตโสมนัตหรืออุเบกขา ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาที่เชื่อในกรรมและผลกรรมคูณด้วยคุณสมบัติสองอย่างหลังก็จะรวมเป็นกามาวจรกุศลจิตแดดวงเมื่อใดก็ตามที่ทำกรรมดีเช่นการเจริญสติและสมาธิก็จะต้องได้รับแรงกระตุ้นจากกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาใน8ประการนี้ าการเจริญภาวนานั้นมีผลให้เกิดฌานผู้ปฏิบัติธรรมจะบรรลุรูปาวจรฌานเมื่อสมาธิมีกำลังแก่กล้าคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งจิตไว้ในอารมณ์ของสมถภาวนาสมถภาวนานั้นเป็นการทำสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบเพียงอย่างเดียวสมาธิในสมถภาวนาระดับฌานสมาธิ เปรียบเหมือนเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่ในที่สงัดลมรูปาวจรฌานจำแนกเป็นสี่ขั้นตามสุดตันตนายหรือปฐมฌานฌานต้นทุติยฌานฌานที่สองตติยฌานฌานที่สามและจตุถฌานฌานที่สีหรือห้าขั้นตามอภิธรรมะนายคือปฐมฌาน ฌานต้นทุติยฌานฌานที่สองตติยฌานฌานที่สามจตุถตาฌานฌานที่สี่และปัญจมฌานฌานที่ห้าโดยองค์ธรรมรูปาวจรก็คือรูปาวจรกุศลจิตห้าดวงนั่นเองความตั้งใจหรือเจตนาที่ประกอบในการมาวจรกุศลจิต8ดวง และรูปาวจรกุศ ล, ลจิตห้าดวงเหล่านี้รวมเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาพิสังขารส่วนอปุญญาภิสังขาร น, นั้นมีลักษณะตรงข้ามกับปุญญาพิสังขานคือเป็นการทําบาปอากุศลที่ผิดศีลธรรม ชักนำให้ปฏิสนธิในอบายภรมและหากได้รับการเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับวิบากที่ไม่ดีเช่นมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดมีร่างกายพิกลพิการเป็นต้นอปุญญาพิสังขารประกอบได้จิตสิบสองดวงคือโลภมูลจิต8ดดวงโทสะมูลจิตสองดวงโมหะมูลจิตสองดวง จิตที่มีความโลภเป็นมมลเหตุจำแนกเป็นจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงในจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงแรกแบ่งเป็นสองดวงเกิดพร้อมกับโสมนัสไม่มีการชักชวนและเกิดพร้อมกับโสมนัสมีการชักชวน อีกสองดวงเกิดพร้อมกับอุเบกขาไม่มีการชักชวนและเกิดพร้อมกับอุเบกขามีการชักชวนส่วนจิตที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงหลังนั้นจำแนกเป็นสองดวงคือเกิดพร้อมกับโสมนัสไม่มีการชักชวนและเกิดพร้อมกับโสมนัสมีการชักชวนกับอีกสองดวงเกิดพร้อมกับอุเบกขาไม่มีการชักชวน และเกิดพร้อมอุเบกขามีการชักชวนการกระทํากรรมทุกชนิดจะเกี่ยวข้องกับโลภะโมลจิตดวงใดดวงหนึ่งใน8ดวงที่กล่าวมาแล้วนี้ส่วนจิตที่มีโทสะเป็นมูลเหตุคือโทสะมูลจิตมีสองดวงจําแนกเป็นโทสะมูลจิตที่ไม่มีการชักชวน โทสะมมลจิตเป็นสาเหตุหลักของความโกรธความเศร้าโศกความกลัวและความรังเกียจจิตที่มีโมหะเป็นมูลเหตมีสองดวงคือจิตที่ประกอบด้วยความลังเลสงสยัยหนึ่งดวงและจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านหนึ่งดวงอย่างแรกเป็นความสงสยัยลังเลใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ศีล ส, สมาธิและปัญญารวมไปถึงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นอย่างหลังเป็นความฟุ้งซ่านหลงลืมสติเพราะจิตมีลักษณะไม่อยู่นิ่งและมักจะโลดแล่นไปในอารมณ์ต่างๆหากไม่ได้รับการฝึกด้วยการเจริญภาวนาอุทจจะจะไม่ชักนำให้เกิดในอบายภูมิ เหมือนกุศลละจิตอื่นๆ อ, อ, อีก11ดวงซึ่งอาจส่งผลให้ไปเกิดในทุกขติภูมิได้หรือหากได้เกิดในสุกติภูมิก็มักจะได้รับวิบากที่ไม่ดีเช่นเป็นคนขี้โรคอายุสั้นเป็นต้นความตั้งใจหรือเจตนาที่ประกอบในอากุศลละจิตส2องดวงเหล่านี้รวมเรียกว่าปุญญาพิสังขาร มวลมนุษย์ในโลกต่างปรารถนาความสุขจึงขนขวายหาสิ่งอํำนวยความสุขให้ตนเองทั้งในพบนี้และพบหน้าแต่การทำส่วนใหญ่ก็มักจะประกอบด้วยความโลภและความไม่พอใจส่วนที่ประกอบด้วยกุศ ล, ลจิตนั้นโดยมากเป็นผู้ที่ได้คบหากัลยาณมิตรได้สดับพระธรรมคําสอนและคิดอย่างมีเหตุผลที่แยบคลายเท่านั้น บางคนหลงเชื่อครูอาจารย์ที่เห็นแก่ตัวสอนให้ทำผิดศีลธรรมอันดีงามดังเช่นในสมัยพุทธกาลชายคนหนึ่งได้แช่งด่าพระภิกษุที่มีคุณธรรมสูงโดยเชื่อคำของครูอาจารย์ของตนเมื่อตายไปได้บังเกิดเป็นเปรตอยู่ในเวชกุฎีในวัดที่เขาได้สร้างถวายแก่สงฆ์นั่นเองเปรตตนนั้นได้เล่าเรื่องกรรมชั่วของตน แกพระมหาโมคลานะเมื่อท่านได้มองเห็นเขาด้วยทิพยจักสุช่างเป็นชะตากรรมที่น่ากลัวสำหรับชายที่ได้อุปถรัรมภ์พระสมด้วยการสร้างวัดและถวายปัจจัยสี่เพื่อปรารถนาความสุขในปรโลกแต่กลับต้องตกไปอยู่ในอบายภูมิเพราะถูกครูอาจารย์ชักจูงไปในทางที่ผิดเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เราครบหาสมาคมด้วยนั้นควรมีทั้งความรู้ที่ถูกต้องและควรเป็นคนดีด้วยส่วนครูที่ได้ชักจูงเข้าไปในทางที่ผิดนั้นเมื่อตายลงก็ต้องรับโทษที่หนักกว่าคือถูกเปรตสิทธิ์ของตนเหยียบหัวไว้ในเวชกุดีนั่นเองและต้องกินอุจจาระของเปรตสิทธิ์เป็นอาหารผลของกรรมชั่วจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวโดยแท้ เขาได้ทำบาปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่ไม่ได้รับผลอย่างที่หวังไว้กลับต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสเพราะบาปที่ทำไว้นั้นลักษณะของคนดีคือเป็นผู้ที่ไม่ทำพูดหรือคิดในสิ่งที่จะเป็นภัยแก่ผู้อื่น ผู้ที่คบหาสมาคมกับคนดีหรือภิกษุที่ดีนั้นจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะที่ดีมีประโยชน์และหากว่าเขารู้จักคิดอย่างแยบคายก็จะส่งผลให้เขาได้ทำกรรมที่เป็นกุศลในทางตรงกันข้ามครูบาอาจารย์หรือเพื่อนที่ชั่วร้ายและการดําริที่ผิดทำนองคลองธรรมย่อมจะนำไปสู่ความหายนะได้ แม้คนที่เคยเป็นคนดีมาก่อนก็อาจถูกความเห็นผิดชักนำให้ทำชั่วได้เมื่อถูกจับได้ก็ต้องถูกลงโทษฐานลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่อุตสาหรักษามาเป็นเวลานานความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีต้นเหตุมาจากความสำคัญผิดว่าการกระทำของตนนั้นจะนำความสุขมาให้ แต่การกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้กว่าจะรู้ตัวว่าคิดผิดก็สายเกินแก้บางครั้งการทำชั่วก็ไม่ได้สมผลทันทีแต่จะปรากฏผลเป็นความทุกข์เมื่อถึงเวลาอันสมควรหากไม่ใช่ในชาตินี้ก็จะตามไปให้ผลในชาติต่อๆไปดังเช่นในกรณีของชายผู้ถวายอารามแก่ภิกษุสมแต่ต้องไปเกิดเป็นเปรต เพราะคําแช่งด่าของตนชาวป่าบางเผ่ามีประเพณีฆ่าสัตว์เพื่อสังเวยเทพเจ้าเพื่อให้ได้รับผลผลิตเกี่ยวกับที่สมบูรณ์หรือเพื่อให้เทพเจ้าคุ้มครองจากพยันตรายความเชื่อถือที่ป่าเตือนเช่นนี้ยังพแพร่หลายอยู่แม้ในหมู่ชาวเมือง เช่นคนบางพวกที่บูชาเทพเจ้าบางพวกฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเลี้ยงดูแขกเหลือในงานบุญการกระทําเช่นนี้แม้ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษามากนักก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นไม่ว่าจะมีเหตุผลดีอย่างไรก็ยังถือว่าเป็นบาปหนักถึงแม้ว่าผู้ที่ฆ่านั้นจะเชื่อถือเป็นอย่างอื่นก็ตาม ลักษณะของกรรมดีหรือบุญจะต้องมีความบริสุทธิ์แห่งศีลแต่การฆ่าหรือการทำร้ายสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ถือว่าเป็นศีลที่บริสุทธิ์ได้เลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเพราะเหยื่อที่ถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายต้องผเผชิญกับความตายหรือต้องทนถูกทำร้ายโดยไม่สามารถดีเกลี้ยงได้หากสามารถต่อสู้หรือตอบโต้ได้ก็คงต้องทำไปแล้ว เหยื่อบางรายย่อมจองเวรเป็นเหตุให้ฆาตรกรต้องถูกฆ่าในพบถัดไปหรือมิฉะนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานในนรกเพื่อชดใช้กรรมที่ได้ทำไว้เรื่องผลกรรมของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้มีสาทกอยู่มากมายในพระไตรปิฎกบางคนปรารถนาการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจึงให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา กุศลกรรมของเขาช่วยให้ความปรารถนานั้นสำริดผลทำให้ได้รับความสุขในพบต่อๆไปแต่ทุกชีวิตย่อมหนีไม่พ้นความแก่ความตายโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์มักจะเกี่ยวพันอยู่กับความเจ็บไข้และความทุกขโทมนัสอย่างแยกไม่ออกบางคนปรารถนาจะเกิดเป็นพรมจึงเจริญรูปฌานหรืออรูปฌาน พรหมอาจมีชีวิตที่เป็นสุขอยู่นานหลายหมื่นกับแต่เมื่อสิ้นอายุขยัยก็จะต้องจุติมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาในภพต่อไปและหลังจากนั้นกรรมชั่วที่ได้เคยทําไว้ก็อาจส่งผลให้ไปบังเกิดในอบายภูมิได้ดังนั้นการยกย่องในชีวิตของพรหมว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐจึงเป็นเพียงความเข้าใจผิด ความหลงผิดเกี่ยวกับความสุขนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะในหมู่ปุถุชนเท่านั้นในพระอริยบุคคลสองชั้นแรกคือพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีความหลงผิดที่ทำให้เห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขแม้พระอนาคามีก็ยังสําคัญผิดว่ารูปพรภพและอรูปภพเป็นชีวิตที่น่ายินดี พระอริยบุคคลทั้งสามชั้นแรกนี้จึงทำกุศลที่เรียกว่าสังขารเพราะมีอวิชชาที่ประกอบกับความหลงผิดความทุกข์ว่าเป็นสุขส่วนปุถุชนที่ยังติดอยู่ในวิปลาสทั้งสี่อย่างที่ทาให้หลงผิดเห็นความไม่เที่ยงว่าเป็นความเที่ยงเห็นความทุกข์ในรูปนามว่าเป็นความสุข เห็นความไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนและเห็นความไม่ดีงามว่าเป็นความดีงามโดยมีอวิชชาสี่อย่างประกอบร่วมกับวิปลาสทั้งสี่อย่างนั้นและเพราะมีความเห็นผิดและความไม่รู้นี้เองจึงทำให้มีการกระทาที่เป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศล กุศลกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการขวนขวายที่เกิดจากเจตนาที่จะทำกุศลซึ่งประกอบด้วยศรัทธาและสติเป็นต้นเนื่องจากจิตของเรานี้หากปล่อยตามความพอใจก็มักจะน้อมไปในอกุศล การไม่ทำกุศลหมายถึงการทำอกุศลบางคนได้สดับมาว่าการรมที่พระอรหันกระทานั้นไม่เป็นทั้งกุศลหรืออกุศลจึงเกิดความเข้าใจผิดแล้วกล่าวว่าเราก็ควรหลีกเลี่ยงการทำกุศลเช่นเดียวกันในเรื่องนี้ปุถุชนที่ปฏิเสธการทำกุศลก็หมายความว่า อกุศลของเขาย่อมจะเพิ่มพูนมากขึ้นเหมือนการที่คนดีพากันอพยพออกจากเมืองหลวงทำให้เหลือแต่คนโง่กับคนพานเท่านั้นหรือเปรียบเหมือนการตัดต้นไม้ที่มีประโยชน์ในป่าออกไปย่อมจะเหลือแต่ต้นหญ้าและพืชพันธุ์ที่ไร้ประโยชน์บุคคลที่ปฏิเสธการทำกุศลย่อมจะหันไปทำแต่อกุศลที่จะชักนาไปสู่อบายอย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นการยากมากที่เขาจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกความจริงนั้นกรรมดีที่พระอรหันต์กระทำไม่จัดเป็นกุศลเพราะท่านขจัดอวิชชาได้อย่างสิ้นเชิงแล้วการกระทํากรรมดีของท่านจึงไม่สามารถก่อให้เกิดผลกรรมอันเป็นเหตุให้มีการเกิดได้อีกพระอรหันต์ทั้งหลายยังคงกระทาความดี เช่นเคารพพระเถระผู้ใหญ่แสดงธรรมให้ทานและช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นแต่เนื่องจากพระอาหารหันต์ได้รู้แจ้งอริยสัจกรรมจัดอวิชชาจนสิ้นแล้วจึงกล่าวว่าพระอาหารหันต์ไม่มีการกระทําที่เป็นกุศลแต่ไม่ได้หมายความว่าพระอาหารหันต์ไม่กระทํากรรมดี ปุตุชนที่ไม่น้อมใจไปในการทำความดีเพราะถูกอวิชชาและมิจฉาทิฏฐิห่อหุ้มไว้ปุตุชนนั้นก็จะสั่งสมแต่กรรมชั่วที่เป็นเหตุให้ตกไปสู่อบายในความจริงแล้วการขาดศรัทธาในการทำความดีเป็นเครื่องหมายของความโง่เขลาอย่างมากที่ทำให้การบรรลุมรรคผลและพระนิพพานเป็นไปได้ยากมาก หากเมื่อไรจิตของเขาเริ่มหลุดพ้นจากอํานาจของอวิชชาก็ย่อมจะน้อมไปในการกระทํากรรมดีดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นพระโสดาบันจึงน้อมใจในการทําบุญมากกว่าเมื่อครั้งที่ยังเป็นปุถุชนอยู่และพระสกทาคามีก็พอใจในการทําบุญมากกว่าในขณะที่เป็นพระโสดาบัน พระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปก็เป็นในทำนองเดียวกันต่างกันแต่เพียงพระอริยบุคคลในชั้นที่สูงขึ้นก็จะมีความปรารถนาที่เพิ่มมากขึ้นในอันที่จะเลิกการกระทาใดๆที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญมากและอุทิศเวลาในการภาวนาให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงไม่ควรหลีกเลี่ยงจากการทาความดี เพราะเข้าใจผิดว่าพระอรหันต์ไม่ทำความดีแล้วนอกจากนั้นทุกขณะที่เรายังมีอวิชชาอยู่การกระทำทุกอย่างทางกายวาจาและใจที่มีอวิชชาเป็นต้นเหตุอาจเป็นได้ทั้งบุญและบาปเมื่อไม่มีการทำกรรมดีเสียแล้วการกระทำทุกอย่างก็จะเป็นกรรมชั่วเท่านั้น ดังพระพุทธดำรัสในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าอาวิชาปัจจยาสังขาราเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารความไม่รู้และความหลงผิดความจริงต่างจากความเท็จแบบเป็นขั้วตรงกันข้าม ไม่สามารถดำรงอยู่ร่วมกันในสถานที่และในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นถ้าเราไม่รู้ความจริงก็เท่ากับว่าเรายอมรับความเท็จเหมือนกับที่ไม่รู้จักศัตรูก็เหมือนกับการยอมรับเขาว่าเป็นมิตรในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้ความจริงก็จะปฏิเสธความเท็จผู้ที่ไม่รู้อริยรรสัจสี่ก็คือ ผู้ที่มีความเห็นผิดโดยสําคัญว่าความทุกข์เป็นความสุขความเห็นผิดนี้ทั้งหลอกลวงและย่ำยีจิตใจให้เศร้าหมองยกเว้นตัญหาซึ่งเมื่อสมหวังก็จะก่อให้เกิดความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างในกรรมภพจัดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นกรรมคุณอารมณ์ทั้งปวงถูกบีบคั้นด้วยความแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดและไม่อยู่ในอานาจบังคับบัญชา แต่ผู้โง่เขลากลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีน่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินทำให้เขาผูกพันอารมณ์ในอดีตที่สําคัญไปว่าเป็นความสุขและคาดหวังจะได้รับสุขในอนาคตเนื่องจากความเข้าใจผิดอย่างนี้เขาจึงกระหายที่จะได้สิ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขในชีวิตและนี่คือต้นเหตุของทุกข์แต่เขาก็ไม่เข้าใจความเป็นจริงข้อนี้ กลับคิดว่าความสุขคือการได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาจึงไม่เห็นว่าความปรารถนากามสุขจะเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใดอันที่จริงคนส่วนใหญ่มักไม่คุ้นเคยกับนิโรธสัตว์ความจริงเกี่ยวกับความดับทุกข์และมรรคสัตว์ทางให้ถึงความดับทุกข์บางคนอาจจะเคยศึกษาเรื่องนี้มาบ้าง อาจยอมรับในด้านเหตุผลแต่ยังไม่ทราบซึ้งในคุณค่าของพระนิพพานมากนะักใจจริงพวกเขาไม่อยากไปนิพพานแต่ไม่ต้องการเจริญมากเพราะเห็นว่าเป็นความยากลาบากจะต้องเสียสละมากมนุษย์ทุกคนหวังที่จะมีความสุขจึงกระทำกรรมต่างๆเพื่อให้ได้รับความสุขการกระทำทางกายวาจาและใจเรียกว่ากรรม หรือสังขารซึ่งได้กล่าวมาแล้วถึงสังขารสามชนิดปุญญาพิสังขารอุญญาพิสังขารและอเนญชาพิสังขารชนิดแรกคือปุญญาพิสังขารประกอบด้วยกรรมดีสองอย่างคือกามาวจรกุศลจิตแ8ดดวงและรูปาวจรกุศลจิตห้าดวงนอกจากนี้ กุศลกรรมหรือกุศลจิตยังแยกออกเป็นสองประเภทคือประกอบด้วยปัญญาและไม่ประกอบด้วยปัญญาในขณะเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นจิตของผู้ปฏิบัติธรรมย่อมประกอบด้วยปัญญาเมื่อเขาสามารถอย่างเห็นสามั ญ, ญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของรูปนามอานิจังทุกขังและ อนัตตาในขณะที่กำหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันอยู่แต่จะไม่ประกอบด้วยปัญญาหากเขาเพียงแต่ท่องคําบริกรรมและกำหนดรู้สภาวธรรมอย่างผิวเผินสำหรับการกระทํากุศลทั่วไปผู้ที่ทำด้วยความเชื่อในกรรมและผลของกรรมเท่านั้นจึงจะจัดได้ว่าประกอบด้วยปัญญา มีผู้กล่าวว่าการให้ทานที่ประกอบด้วยปัญญานั้นจะต้องมีการระลึกรู้ความเป็นอนิจจังทุกขงังและอนัตตาของผู้ให้ของผู้รับและของวัตถุทานด้วยมตินี้มีนำมาจากคำพีอัตถกถาของพระอภิธรรมปิดกชื่ออัตถสารินี ซึ่งกล่าวถึงการกําหนดรู้ความไม่เที่ยงของทุกสิ่งหลังจากบริจาคทานคํากล่าวนี้หมายถึงการกําหนดรู้หลังจากการบริจาคทานเท่านั้นไม่ใช่ในเวลาก่อนให้และขณะให้นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ในการให้ทานก็ไม่ใช่เพื่อให้เกิดปัญญาแต่เป็นการทํากุศลเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิปัสสนา ถ้าการให้ทานที่ประกอบด้วยปัญญาหมายถึงการให้ที่มีการกำหนดรู้ดังกล่าวเท่านั้นการให้ทานของาศาสนนอื่นๆ น, นอกพุทธศาสนาก็จัดว่าเป็นทานที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาทั้งสิ้นความเห็นเช่นนี้ย่อมเป็นความเห็นที่ปราศจากเหตุผลจะเห็นได้ว่าการบริจาคทานของพระโพธิสัตว์ไม่ได้กล่าวถึงการกำหนดรู้ดังกล่าว และพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงระบุให้ปฏิบัติเช่นนั้นในขณะให้ทานในพระบาลีตรัสแต่เพียงว่าอานิสงค์ของทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้รับเท่านั้นเขาจึงควรปฏิบัติตามคําสอนนี้เพราะถ้าผู้ให้และผู้รับเป็นเพียงกระแสรูรปนามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาก็จะไม่มีความแตกต่าง ระหว่างผู้ให้และผู้รับการให้ทานย่อมไม่ก่อให้เกิดความปีติยินดีและไม่มีอนิสง์มากนักวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการให้ทานนั้นมิใช่เพื่อเจริญวิปัสสนาแต่เป็นการสั่งสมบารมีของผู้ให้ทานดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทานจะมีอนิสง์มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับผู้รับทานหรือปฏิฆาหกและเนื่องด้วยปัญญาที่เชื่อกรรมและผลของกรรมในขณะให้ทานเป็นสำคัญครั้งหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้กราบทูลขอพร8ประการต่อพระพุทธองค์คือขอถวายทาน8อย่างจนตลอดชีพของนางท้านเหล่านั้นปรากฏในคำพีมหาวักว่าหนึ่ง ผ้าอาบน้ำฝนเพื่อภิกษุสงฆ์ 2. พัดเพื่อภิกษุอคันตุกะ 3. พัดเพื่อภิกษุที่เตรียมจะเดินทางไกล 4. พัดเพื่อภิกษุอาพาธ 5. พัดเพื่อภิกษุที่พยาบาลพระอาพาธ 6. เพศสัตว์เพื่อภิกษุอาพาธ 7. ยาคูเพื่อพระสงฆ์8 พระนุ่งอาบน้ำเพื่อภิกษุณีสงฆ์เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสถามว่าเธอเห็นอนิสง์อย่างไรจึงขอพรแปดประการเหล่านี้นางได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายจากที่ต่างๆจักมาสู่พระนครสาวัตถีเมื่อเฝ้าพระองค์แล้วจักทูลถามว่าภิกษุ มีชื่อนี้ถึงมรณภาพแล้วท่านมีมติอย่างไรพระองค์จะทรงพยากรภิกษุนั้นในมักผลอย่างใดอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะเข้าไปหาภิกษุพวกนั้นแล้วเรียนถามว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีหรือถ้าท่านเหล่านั้นตอบว่าภิกษุนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีข้าพระองค์จะทราบว่า พระคุณเจ้ารูปนั้นผู้ได้บรร ล, ลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งคงได้ใช้สอยผ้าอาบน้ำฝนหรือทานอย่างอื่นของข้าพระองค์บ้างเป็นแน่เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ก็จะมีใจเ อ, อิบอิ่มเป็นเหตุให้เกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นและเป็นการอบรมพัฒนาจิตข้าพระองค์เห็นอนิสงส์นี้ จึงขอประธานพอรอนแปประการจากพระองค์พระเจ้าค่ะจะเห็นได้ว่านางวิสาขาผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบาันแล้วมิได้กล่าวถึงการกำหนดรู้ความไม่เที่ยงแห่งรูปนามของภิกษุที่ถึงมรณภาพ และพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตรัสแนะนำให้ทำเช่นนั้นแต่นางวิสาขาได้ระบุถึงระดับการบรรลุ ธ, ธรรมของท่านเหล่านั้นและเน้นที่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดความอิ่มเอิบใจและพัฒนาจิตดังนั้นสิ่งสำคัญที่ควรระลึกรู้ในขณะให้ทานก็คือคุณธรรมที่บรรลุแล้วของผู้ที่รับทานเช่น ให้ขณะที่น้อมถวายดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธรูปก็ควรระลึกถึงพระพุทธคุณมีความเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นหรือในขณะที่ถวายบิณฑบาตแก่ภิกษุสงฆ์ก็ควรระลึกถึงการปฏิบัติชอบของพระสงฆ์เป็นต้นการแสดงธรรมหรือฟังธรรมจัดเป็นกุศ ล, ลกรรมและหากมีความเข้าใจในธรรมนั้น ก็จัดเป็นการกระทําที่ประกอบด้วยปัญญาการกระทําความดีที่มีความเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นพื้นฐานจัดเป็นกุศลละกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาทั้งสิ้นแต่หากปราศจากความเชื่อดังกล่าวการกระทําความดีนั้นก็จัดเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเช่นการไหว้พระของเด็กเล็กๆ ที่ศักิ์แต่เรียนแบบพ่อแม่และการกระทําดีของคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมซึ่งแม้จะเป็นความเอื้อเฟื้ออ่อนน้อมและมีน้ำใจก็ไม่ประกอบด้วยปัญญากามาวจรกุศลทั้งแปดอย่างเหล่านั้นรวมกับรูปราวจรกุศลอันเป็นผลของการเจริญสมถภาวนาจนถึงระดับฌานทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าปุญญาภิสังขาร ส่วนกุศลกรรมที่ประกอบด้วยอกุศลลจิต12ดวงจัดเป็นอปุญญาภิสังขารสับว่าสังขารในที่นี้หมายถึงเจตนาในบรรดาอากุศลสังขารคืออกุศลจิต12ดวงซึ่งจำแนกเป็นโลภะโมลจิต8ดวงโทสะมูลจิตสองดวงและโมหะโมลจิต สองดวงจิต ท, ที่มีโลภะเป็นเหตุโลภะมูลจิต8ดดวงจำแนกเป็นจิต ท, ที่เกิดพร้อมด้วยความยินดีสมนัตสหรคตสี่ดวงและจิต ท, ที่เกิดพร้อมด้วยความวางเฉยอุเบกขาสหารคตสี่ดวงในบรรดาจิต ท, ที่เกิดพร้อมด้วยสมนัตสี่ดวงแรกจำแนกเป็นจิต ท, ที่ประกอบด้วย ความเห็นผิดทิฏฐิคตะสัมปยุตสองดวงและไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสองดวงและในแต่ละสองดวงนี้อย่างจำแนกออกเป็นจิตที่มีการชักนำและไม่มีการชักนำอีกอย่างละดวงด้วยความเห็นผิดในจิตข้างต้นนั้นแบ่งออกเป็นสามชนิดโดยย่อคือ หเห็นว่ามีอัตตาหรือวิญญาณอยู่ในตัวตนสักยทิฏฐิหรืออัตตทิฏฐิ 2. เห็นว่ามีอัตตาหรือวิญญาณที่เที่ยงแท้คงทนอยู่ตลอดไปสัตจะทิฏฐิ 3. เห็นว่าอัตตาหรือวิญญาณจากพินาศขาดสูญไปจึงไม่มีกรรมและผลของกรรมอุเฉททิฏฐิ คนส่วนใหญ่มักถูกครอบงำด้วยสักยะทิฏฐิเพราะความไม่รู้ว่าชีวิตคือกระแสของรูปนามที่ดำเนินต่อเนื่องกันไปโดยว่างเปล่าจากตัวตนสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาแล้วจะมีสักยะทิฏฐิที่เบาบางลงแต่ความรู้ที่ร่ำเรียนจากตำราเรียนนั้นไม่ช่วยกำจัดสักยทิฏฐิได้อย่างสิ้นเชิง การรู้เห็นสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนด้วยวิปัสนาปัญญาจึงจะทําลายความเห็นผิดนี้ได้อย่างไรก็ตามเขายังอาจหวนกลับไปมีความเห็นผิดได้อีกหากเขาเลิกการกําหนดรู้ก่อนที่จะได้บรรลุมรรคยานแต่ในบรรดาปุถุชนทั่วไปนั้นสักยติทิฏได้อย่างลึกลงไปในกระแสจิต ทำให้เขาคิดว่ามีตัวตนหรืออัตตาที่เป็นผู้ทมคิดหรือเสวยอารมณ์ต่างๆส่วนผู้ที่ประกอบด้วยอุเชธททิฏฐิย่อมเชื่อว่าเมื่อตายลงก็ขาดศูนไปและไม่ยอมรับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตลอดจนไม่เชื่อว่ากรรมและผลของกรรมมีจริง จิตที่มีโทสะเป็นเหตุเป็นจิตที่พร้อมด้วยความไม่พอใจประกอบด้วยความขัดเคืองสัมปยุตแบ่งเป็นสองดวงคือไม่มีการชักนำอสังขาริกหนึ่งดวงและมีการชักนำสังขาริกหนึ่งดวงคําว่าโทสะนี้ยังหมายรวมถึงความรู้สึกหลายๆอย่างเช่น ความโกรธความริษยาความกังวลความเศร้าโศกความกลัวเป็นต้นจิตที่มีโมหะเป็นเหตุโมหะมูลจิตเป็นจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาอุเบกขาสหรคตประกอบด้วยความลังเลสงสยัยวิจิกิจฉาสัมปยุตหนึ่งดวง ซึ่งเป็นความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับคุณของพระพุทธเจ้าพระนิพพานและอนัตตาเป็นต้นและประกอบด้วยความฟุ้งซ่านอุทธะสัมปยุตหนึ่งดวงซึ่งจัดเป็นจิตที่โลดแล่นซัดสายไปในที่ต่างๆไม่อยู่นิ่งดังนั้นอปุญญาพิสังขารจึงหมายความถึงโลภะมจิต แป ด, ดวงโทสะโมลจิตสองดวงและโมหะมมลจิตสองดวงซึ่งเป็นธรรมที่ตรงข้ามกับปุญญาพิสังขารซึ่งทำให้รูปนามบริสุทธิ์และมีผลให้ปฏิสนธิในภพที่ดีได้รับวิบากที่ดีส่วนอปุญญาพิสังขารทำให้รูปนามเศร้าหมองและส่งผลให้เกิดในภพ ที่ไม่ดีได้รับวิบากที่ไม่ดีมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะทำกรรมชั่วเพราะคิดว่าทำแล้วจะได้รับความสุขสบายเขาอาจฆ่าสัตว์ลักขโมยหรือให้การเท็จในสารเพื่อให้ตนได้อยู่ดีมีสุขแม้แต่คนที่ฆ่าปิดามานดาก็ทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง ดังสาทกในเรื่องของเจ้าชายอาชาศัตรูที่ปลงพระชนพระบิดาเนื่องจากถูกพระเทวทัตชักจูงให้หลงผิดจึงดำริว่าพระองค์จะได้ครองราชสมบัตินานยิ่งขึ้นหากปลงพระชนพระบิดาแล้วขึ้นครองราชแทนแต่เนื่องจากว่าการทำปิตุฆาตเป็นกรรมหนักและพระบิดาก็เป็นพระโสดาบันอีกด้วย พระเจ้าอาชาติศัตรูจึงทรงสำนึกผิดเกิดความโทมนัสจนมิอาจเสวยพระกาย า, ารและบันทมได้ในที่สุดพระองค์ก็ถูกพระโอรสปรงพระชนเช่นเดียวกันและต้องไปเสวยทุกขเวทนาอันแสนสาหัสในโลหกุมพีนรกจนกระทั่งบัดนี้ด้วยอำนาจของกรรมชั่วนั้น ในสมัยของพระกะกุสันธพุทธเจ้าทูสีมานได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำอันตรายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เมื่อไม่สำเร็จก็เข้าสิงเด็กชายคนหนึ่งแล้วบันดาลให้เขาคว่างก้อนหินใส่พระอัครสาวกชื่อวิทุระซึ่งอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะ จนศีรษะแตกเลือดไหลด้วยกรรมนี้ทำให้ทูสีมานต้องบังเกิดในเอเวจีมหานรกในทันทีทันใดดังนั้นแทนที่จะได้ฉลองความสำเร็จในการทำบาปของตนกลับต้องได้รับทุกข์ทรมานจากกรรมชั่วนั้นแม้ว่าในขณะที่เป็นพญามานทูสีจะเคยมีอำนาจอยู่เหนือมานทั้งหลาย แต่ในอเวจีมหานรกซึ่งเป็นภูมิที่ต่ำสุดใน31ภูมิเขากลับต้องหมอบอยู่แทบเท้าของนายเนียรยาบาลจึงเห็นได้ว่ากรรมชั่วย่อมตามสนองผู้ทำชั่วไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดในโลกสำหรับกรรมที่เหลืออีกสองอย่างคือปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขารก็มีมูลเหตุหลัก มาจากความต้องการที่จะได้รับความสุขเช่นเดียวกันอเนนชาพิสังขารหมายถึงอรูปฌานกุศลสี่อย่างสับว่าอเนนชาความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวผู้ปฏิบัติธรรมที่กำลังเจริญรูปฌานอยู่นั้นอาจถูกเสียงดังรบกวนสมาบัติของตนได้แต่อรูปฌานสมาบัติจะไม่ถูกรบกวนด้วยเสียงดัง อรมณฌานคือฌานที่มีนามเป็นอารมณ์มีสี่อย่างดังนี้หนึ่งอากาสานัญจายตนะฌานมีอากาศช่องว่างหาที่สุดมิได้สองวิญญาณัญจายตนะฌานมีวิญญาณหาที่สุดมิได้สอกิจัญญายตนะฌานมีภาวะที่ไม่มีอะไรอะไร 4เนวะสัญญานาสัญญายาตนาชานมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อรูปฌานสี่อย่างนี้เป็นสังขารที่ชักนาให้ปฏิสนธิในอรู ป, ปรภูมิส่วนอปุญญาพิสังขารชักนาให้ปฏิสนธิในอบายภูมิสและปุญญาพิสังขารชักนาให้ปฏิสนธิในมนุษยภูมิ เทวภูมิและรู ป, ปรภูมิลาวสัตว์กระทากรรมหรือสังขารทั้งสามอย่างนี้เพื่อให้ตนได้รับความสุขและสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอายตนะและผัสสะเป็นต้นในภพใหม่